เดชคือตบะหรือว่าความร้อนเนี่ยนะเรียกอำนาจเป็นต้นเนี่ยไม่มีใครเทียบกับพระองค์ได้ขนาดว่าพระองค์เนี่ยเดชมากขนาดถึงว่ายผู้ใดไม่ได้เลยถ้าว่ายแล้วเขาศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงโดยธรรมดานะยังชาติสุดท้ายเนี่ยว่ายผู้ใดไม่ได้เลยเนไเพราะว่าถ้าพระองค์นอบน้อมผู้ใดผู้นั้นจะสมมติว่าพระองค์ไหว้น้ําน้ําก็แห้งถ้าว่ายโลกโลกก็สลายถ้าว่ายอากาศฝนก็ไม่ตกเหมือนนนะ ท่า น, นพระองค์นี้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหลังจากตรัสรู้ก็ประกาศพระธรรมจากอภิสมัยการตรัสรู้อริยสัจก็ได้มีแก่สัจํานวนแสนโกดครั้งพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัญชัยหรือสีอภิสมัยการตรัสรู้ทำครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตเก90โกดครั้งเท้าสั ก, กะพร้อมทั้งบริษัทธเข้าเฝ้าพระผู้นําพิเศษ อภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมครั้งที่สามก็ได้มีแก่สัตว์80สโกรธพระธรรมทัศสีเุทธเจ้าผู้เป็นเทพแห่งเทพพระองค์นั้นทรงมีสันนิบาประชุมพระสาวกขีณาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่ น, นะประชุมสาวกสามครั้งครั้งพระธรรมทัศสีเุทธเจ้าเข้าจำพรรษานะกรุงสารณนะ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 พระพุทธเจ้าธรรมทัศสีพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางเทวดาพยากรพระโพธิสัตว์ของเราว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพยากรณพระอินเหมือนกันน่ยพยากรณ์เท้าสกกะคือพระอินว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตถัดจากนี้ไป 1,800 กับพระตถาคตพระองค์นั้นจักอภินศสกรมออกบวชจากกรุงกบิลพั์ตั้งความเพียรรมทุกกิริยา พระพุทธเจ้าทุกพระองค์บอกเหมือนกันหมดว่าพระโพธิสัตว์เราจะต้องไปทุกข์ไปยากนะนะต้องไปลําบากก่อนจะตรัสรู้พยากรณ์มาแบบนี้ทุกองค์เลยนะนะยางอะไรนะก็นึกถึงพระมหาโมคคลานะเนี่ยพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ท่านไว้เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับท่านมาจากนรกแล้วจะมาเป็นพระมหาโมคคลานะนะจุติจากนรกมาปฏิสนธิเป็นพระมหาโมคคลานะเพราะอะไรเพราะอดีต ท, ท่านเป็นมารเป็นหัวหน้ามาร แผลงฤทธิแผลงเดชไม่ใช่น้อยทะเลาะกับพระพุทธเจ้าประจำว่าไนมันอดีตนะ น, นะแต่ว่าใครจะเชื่อว่าพญามาร น, นั่นแหละจะมาเป็นอาาัครเป็นอัครสาวกข้างซ้ายหรือว่าอย่างพญามารของเราเนี่ยองค์นี้ใครจะรู้อนาคตท่านจะเป็นพระพุทธเจ้ายัางไง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 ันก็อย่างี้แหละเราันก็ต้องทำใจว่าเออธรรมดาเดี๋ยวว่าสวมบทนั่นบทนี่บ้างอะไรบ้างนะแล้วแต่ว่าอะไรมันสิงในใจแค่นั้ น, น <c oughs> ่หฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ทำทุการากิริยาพระตถาคตก็ประทับนั่งที่โคนต้นอาชา ป, ปาละนิโครณทรงรับเข้ามาทุก ป, ปายาตณที่นั้นแล้วก็เสด็จเข้าไปยังแม่น้ำเนรัญชรา พระเจ้าพระองค์นั้นสวยเข้ามาทุปายญาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดำเนินไปตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโรพพฤกจากนั้นพระผู้มียศใหญ่ทรงกระทาประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรูณโคนโรพพลกเชื่อว่าต้นอัศธา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 อัคาราสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบล ว, วันนาผู้ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพอพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัศธ า, า, า, าอัครอุปทาชื่อว่าจิตตะและหัตถะอลาวกะอัคาราอุปทายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมายุร้อยปี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 หน0่ 1> 1, กักเพราะฉะนั้นเทวดาในหมื่นโลกธาตุพร้อมทั้งเทวดาโลกก็พากันโหร้องปรบมือโห่ร่ำร่าเริงประคองอัญชลีนะมัสการกล่าวว่าถ้าว่าพวกเราพลาดจากศาสนาไม่ได้ทํากิจไม่แทงตลอดอริยสัตว์ไม่ได้บรรลุมรรคผลในพระพุทธาศาสนาพระณะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัศสีในอนาคตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้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 สนมนารีที่คอยปรนนิบัตินางฟ้อนเป็นต้นเนนะแต่งกายงามสีหมื่นนางอัครมเหสีพระนามว่านางวิจิโกรีโอรสของพระองค์ชื่อว่าพระปุณณวัฒนะนีนะพระผู้เป็นยอดบุรุษเห็นนิมิตสีเสด็จออกอภินศสกมด้วยปราศาส์บำเพ็ญเพียรทาอยู่เจ็ดวันนะ รวบรวมโพธิยานเจวันเป็นพระพุทธเจ้าเลยสั่งแสดงว่าสั่งสมบุญมามอบพระมหาวีระธรรมทัีนราสภะผู้เลิศกว่านรชนอันเท้ามหาพรมาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจากณมิขทายวันพระอ克拉สาวกชื่อว่าพระปฐุมะและพระปุตษถเทวะพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระสุทตัตต พระอัคราสาวิกาชื่อว่าพระเคมาและพระสัจนสจนามาโผลพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นพิมพ์พิชาละต้นมะกล่มเครืออัคร อ, อุปถากชื่อว่าสุภัทะและกติสหะอัคราอุอปถายิกาชื่อว่าสาลิสาและกะลิาสาเนีนะหรือกลิสาชื่อแปลกๆกันเลย พระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอสูง80ศอกรุ่งโรดด้วยพระเดศในหมื่นโลกธาตุพระองค์งดงามเหมือนต้นสารพฤกษ์ที่ออกดอกบานสะพรั่งเหมือนสายฟ้าในหน้าผากาศเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน น, นะแสดงว่า น, นี้บ่ายไปแล้วนะตอนตอนเที่ยงก็ อ, งออกไปดูดวงอาทิตย์เป็นยังไงนะแต่ต้องสวงมาอะไรให้มันดีๆหน่อยนะแล้วตาบอด พระผู้มีพระจักสุตดำรงอยู่ในโลกแสนปีพระชนมายุของพระองค์ผู้มีเดชไม่มีใครเทียบได้พระองค์นั้นก็เท่าเทกับสัตว์อื่นพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกทรงแสดงพระรัศมีทำพระศาสนาให้ไร้หมุนทินดับคันทะปรินิพานเหมือนดวงจันทร์เคลื่อนจากท้องฟ้านะเคยเห็นดวงจันทร์ยามดวงจันทร์ลับฟ้าหรือดวงอาทิตย์อสดงคตฉันใดพระอรหันต์ทั้งหลายก็ปรินิพานฉันนั้น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 ไม่มีการพูดถึงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเรื่องราวเล่ เ, ลเลทะอะไรทั้งหลายไม่มีเลยมีแต่การดำรงอยู่ในการกล่าววาจาที่ชอบพูดสัมมาวาจากันทั้งนั้นนะนี่เป็นบุญของพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ประเภทกลุ่มวิริยะที่กะสร้างบรมีมาม า, มากเลยนะพันก็ทุกคนในยุคนั้นก็มีการกล่าวทาพวกเดรธีมิจฉาิฐิหายากขนาดเรื่องราวไม่เป็นเรื่องอยังไม่มีเลย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 พระออรสของพระองค์ปุณณนะวัฒนาของพระนางวิจิโกลิเทวีสมภพคือประสูติออกมาพระมหาบุรุษก็เห็นนิมิตสทรงเป็นสุขุมารชาติอย่างยิ่งเหมือนเทพกุมารเสวยสมบัติเหมือนเทพสมบัติพระองค์นั้นได้ลุกขึ้นในยามกลางคือหมายถึงว่าคล้าคลากับพระโพธิสัตว์นะพอได้เห็นหน้ า, เ, าเห็นหน้าลูกแล้วก็จะต้องออกบวชแต่ว่าออกบวชในตอนกลางคืนพระในยามกลางม่ชื่มยาม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 ก็พักกลางวันตอนเย็นก็รับหญ้าแปดกรรมที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อว่าสริวัฒนะถวายก็เสด็จไปยังโพพึกชื่อว่าพิมพิชาละต้นมะกล่ำเครือหรือมะกล่ำทองเนี่ยนะพระองค์ก็ลาดสันทัตหญ้ากว้างห้าสิบสามศอกแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานนะโพพฤกนั้น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 ติดตามเนี่ยนะเชื่อมั่นในพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้นำเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เนี่ยมากมายฉะนั้นจึงมีผู้บรรลุหาประมาณไม่ได้ในมันเออพระองค์จึงเล่าให้พระสารีบุตรฟังในคำพิภทธวงว่าในมันกับหรือว่าในวรกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมองค์เนี่ยนะพระธรมรมทัศสีพุทธเจ้าผู้มีพระยศยิ่งใหญ่กำจัดความมืดมนอนทการแล้ว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 เรียกว่าพรามภาวรีเนี่ยมีบริวารบวชตามตั้ง1มื0น 16,000 คนเนี่ยนะมันก็คล้ายๆเดียวกันอันนี้พระราชาพราะองค์นี้ออกบวชผู้ที่เป็นบริวารก็ออกบวชตามยังในชาดกเนี่ยนะชาดกเช่นว่าหัตถิปาละชาดกอโยอายคขระชาดกเป็นต้น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 ครั้งที่สามนั้นพระองค์แสดงอ น, นิสงค์แห่งการรักษาทุดงข้อปฏิบัติเพื่อความขัดเกลวณพระสุทัศนารามสถาปนาพระมหาสาวกเชวหาริตะไว้ในตำแหน่งเอตัทัคยะยกปาติโมกขึ้นแสดงข้ามกลางพระภิกษุสงฆ์จำนวนแปดสิบโกรธอันนี้เป็นสันนิบาตประชุมพระอาหารหันต์ครั้งที่สาม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 ก็มีสาวกร้อยโกรธประชุมกันอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองต่อมาอีกครั้งพระพุทธเจ้าทรงประกาศทูดงคคุณภิกษุสาวก8ปสโกรธประชุมกันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเป็นเท้าสกกะเทวราชอันทวยเทพในเทวโลกทั้งสองเวดล้อมแล้วเสด็จมาบูชาพระตถาคต ด, ด้วยของทิพย์อันนั้นมีของหอมดอกไม้เป็นต้น